ที่เขาเรียกว่าโกลานี้อย่างมีพูดว่าต้นสนแก่คร่ามคราต้นหนึ่งกาลังแสดงธรรมอยู่แม้อย่างนี้ก็หมายถึงข้อที่ว่าแม้แต่ต้นสนแก่นั้นมันก็แสดงความว่างได้เหมือนกันคือมันมีความว่างเหมือนกับสิ่งทุกสิ่งแต่คนก็ไม่มองเห็นหรือว่าไม่ได้ยินในข้อที่มันแสดงธรรมคือแสดงลักษณะของความว่างอยู่ทุกเมื่อ ขอให้เราจบให้ได้ว่าความว่างนั้นมีอยู่ที่ทุกสิ่งเพราะว่าเป็นลักษณะของสิ่งทุกสิ่งสิ่งทุกสิ่งมีลักษณะคื อ, ค, อความว่างนี่แหละคำว่าว่างในลักษณะที่แรกคือลักษณะของความว่า so งที่มีอยู่ที่สิ่งทุกสิ่งจึงเรียกว่าว่างนี่แหละเลงถึงลักษณะของสิ่งทุกสิ่ง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 การเดินทางได้เดินถึงที่สุดแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่นิหมายถึงพระอรหันต์ท่านปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วคือว่าทาการปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วหรือว่าเดินไปตามทางของอริยามาร์กนี้ถึงที่สุดแล้วบรรลุนิพพานแล้วแต่ตัวผู้เดินหามีไม่ตัวผู้ทาหามีไม่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 ก็ทำไปด้วยสติปัญญาก็ได้ไม่ต้องทำด้วยตัณหาอุปาทานซึ่งมันจะทำไม่มีความทุกข์ทุกประการต้องน้ำตาไหลบ่อยๆต้องเหี่ยวแห้งในใจบ่อยๆและไม่มีความสุขเลยนั่นแหละค่าที่ไปเป็นแม่ไม่เป็นเป็นแม่ไม่ถูกวิธีของธรรมะต้องเป็นทุกข์เพราะลูกนี่เรียกว่าความทุกข์ของแม่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 เป็นสัตยรชานหน่าเป็นไหมเป็นอะไรคู่ตรงข้ามนี้กับที่ไม่ต้องการเป็นอะไรเลยอันไหนจะดีกว่ากันเป็นคนธรรมดากับเป็นสรนรกอย่างนี้น่าเป็นไหมหรือพูดอีกคู่หนึ่งว่าเป็นคนนี้น่าเป็นไหมเป็นเทวดาในสวรรค์นี้น่าเป็นไหมนี่มันเป็นเครื่องวัตถิปัญญาของบุคคลว่า คนนั้นเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์อย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเขามองเห็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะสันหัวทั้งหมดอย่างเดียวกันเพราะว่าเป็นคนก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบคนเป็นเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของเทวดาหมายความว่าถ้าเกิดไปยึดมั่นว่าเราเป็นคนหรือว่าเราเป็นเทวดาเข้าแล้วนั่นและ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 เขยังไม่มองเห็นว่าการยึดมั่นว่าเป็นคนดีนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามแบบของคนดีไปตามประสาของคนดีเช่นเดียวกับที่คนชั่วจะต้องมีความทุกข์ตามแบบประสาของคนชั่วถ้าลงยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่มีความสุขเลยเพราะมันจะหนักชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในตัวความเป็นนั่นเองอากแต่ว่าความทุกข์บางอย่าง มันไม่แสดงออกมาให้เห็นแล้วมันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรบางอย่างกลบเกลื่อนไว้มันจึงทนทุกข์ในการมีการเป็นได้เยยอถยานตื่นหรือเหอ่อที่จะเป็นนั่นเป็นนี่กันอยู่ได้ด้วยการถูกหลอกที่จริงนั้นธรรมชาติหลอกให้คนเราสู้ทนทุกข์เช่นตัวอย่างที่เห็นง่ายๆในกรณีที่ทุกประการสืบพันธุ์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 น่าเป็นไหมคนที่ผีลามไม่ดูไม่แลอะไรคงจะยกมือทันทีว่าเป็นคนมีบุญน่าสนุกกันใหญ่แต่คนที่เข้าผ่านบุญมาโดยสมบูรณ์แล้วก็จะสั่นหัวว่าคนมีบุญก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามแบบตามประษาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตนมีบุญนี่คนมีบุญจะต้องเป็นทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญ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 ลิมรถสักว่าลิ้มสัมผัสสักว่าสัมผัสนี้ก็มีอยู่ถ้าทำได้อย่างนั้นตัวเธอไม่มีคือตัวกูไม่เกิดแล้วก็เป็นที่สุดทุกข์คือว่างอยู่เรื่อยขอให้สังเกตอย่างนี้กันล็วกกันว่าเมื่อเราทอดสายตาไปยังทางใดทางหนึ่งเห็นภาพนั่นภาพนี้ลองเหลือบตาไปทางประตูหน้าต่าง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 สมัครดับไม่เหลือไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นเพราะได้ทำความรู้สึกดังกล่าวนั้นมาจนคล่องแคล่วชำนาญดีอยู่แล้วเป็นปกติพอมาถึงขณะเช่นนี้ก็รู้สึกได้เพียงแว บ, บเดียวแล้วก็ดับไปเช่นว่ารถยนต์ทับตายอย่นี้ไม่ใช่มันจะตายทันทีไม่ใช่จะไม่มีเวลาเหลือเึิงวินาทีให้เขารู้สึกมันต้องมีเวลาเหลืออยู่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 ยิ่งถ้ามันให้โอกาสที่จะรู้สึกนึกคิดได้สักขณะจิตหนึ่งหรือว่าเครื่องวินาทีอย่างนี้ก็คิดได้สบายเพราะฉะนั้นอย่าได้คลาดอย่าได้กลัวอย่าให้ความคลาดความกลัวแทรกเข้ามาเช่นขอให้ไปตามหมอทีหาไปโรงพยาบาลทีอย่างนี้แล้วก็ต้องตายตรงนั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเรื่องอย่างนี้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 ส่วนการตายของผู้ที่รู้โดยสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์ศึกษาเพียงพอแตกฉานในปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องมีอาการตกกระไดพลอยโจรเพราะว่าเขาเป็นผู้ไม่ตายเสร็จแล้วตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ยังไม่เจ็บไม่ไข้ตั้งแต่ยังหนุ่มๆด้วยซ้ำไปคือบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเสียตั้งแต่ก่อนโน้นแล้วเพราะฉะนั้น จึงไม่มีการตายถ้ว่าคนรู้มามากอย่างนั้นพอถึงเวลาจะตายเข้าจริงๆเขาก็ยังมีการเตรียมดีกว่าพวกที่ตกกระไดพลอยโจรเขารู้จักตั้งสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่าไม่มีความตายวุรยย้อความตายได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการดีที่ว่าเมื่อลงกระไดลงไปอย่างเรียบร้อย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 ต่อไปนี้อยากจะพูดถึงการเตรียมตัวตายของผู้เจ็บป่วยกันบ้างเมื่อรู้สึกว่าจะต้องตายแน่สำหรับผู้มีความเจ็บไข้เห็นอยู่ชัดๆเช่นเป็นวันโรคหรือโรคอะไรก็ตามเถอะซึ่งมันจะต้องตายแน่แล้วก็ควรจะทําให้ดีที่สุดด้วยสติสัมปชัญญะไม่ต้องขลาดไม่ต้องกลัวอยากจะเล่าเรื่องที่เคยพบ เกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวตายของคนครั้งพุทธกาลให้ฟังว่าสำหรับผู้ที่เขาถือศีลสมาทานวัดกันอยู่ประจำอย่างนี้เป็นธรรมดาการอดข้าวย่อมไม่มีปัญหาอะไรเพราะวันอุโบสถก็อดข้าวเย็นอยู่แล้วทีนี้พอโรคภัยแค่เจ็บมาถึงซึ่งเขาเชื่อแน่ว่าไม่เกินสิบวันจะต้องตายอย่างนี้เขาเตรียมที่จะไม่กินอาหารไม่เหมือนกับพวกเราที่ว่าคนใกล้จะตาย ต้องให้ไปหาอาหารดีๆอย่างนั้นอย่างนี้อย่างแพงที่สุดมาให้กินกินกินกินจนตายไปกับอาหารก็มีในการที่เขาพยายามหลีกอาหารนี้เขาเพื่อจะมีจิตใจที่เป็นปกติที่สุดเพราะเมื่อร่างกายชำรุดอย่างนี้แล้วมันไม่ย่อยอาหารขืนใส่เข้าไปมันก็เป็นพิษมันก็วุ่นวายใจมันกระสักกระส่ายเพราะฉะนั้น จึงเตรียมตัดอาหารกินแต่น้ำหรือกินแต่ยาถ้าใกล้เข้าไปอีกแม้แต่น้ำก็ไม่อยากกินยาก็ไม่ยอมกินเพื่อจะสำรวมสติสัมปชัญญะที่จะตายชนิดที่ดับไม่เหลือพวกที่ยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศลก็เตรียมยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศลพวกที่ฉลาดชั้นสูงก็เตรียมที่จะปล่อยวางดับไม่เหลือ ดังกล่าวมานั้นเขาไม่ต้องการหมอไม่ต้องการฉีดยาประวิงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่างนี้ซึ่งเป็นการรบกวนอย่างยิ่งการทำเช่นนี้เรียกว่าปลงสังขารคือปลงตัวตนลงไปอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับร่างกายเขาเรียกว่าปลงสังขารยังไม่ทันตายนี่หละเขาเตรียมที่จะแตกทำลายทางกายให้ดีที่สุด ในทางจิตก็น้อมไปเพื่อดับไม่เหลือส่วนพวกเราสมัยนี้มแต่โกลาหนตามหมอกันมาจนเต็มห้องก็มีให้กินยาให้กินอาหารฉีดยาต่างๆนาน า, นาทำให้พะงับพะงอนหาความสงบไม่ได้เนี่ยหละทำให้ไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรทำให้ไม่รู้ว่าจะตายหรือจะอยู่อย่างนี้มันพะวาพวงกันไปหมด มันเลยไม่ได้ประสบชัยชนะเหนือความตายหรือเข้าถึงความว่างหรือความดับไม่เหลืออย่างที่กล่าวมาแล้วการเตรียมตัวตายของคนครั้งพุท ธ, ธกาลกับคนเดี๋ยวนี้มันต่างกันอย่างว่าคนเดี๋ยวนี้คงจะนึกหาเตียงที่สบายที่สุดหาห้องที่สบายที่สุดหาอาหารหายาที่แพงที่สุดมาไว้แล้วก็ตายไปด้วยการกุลีกุจอ อยากจะรักษาชีวิตทวงเอาไว้ให้ได้ต่อไปแม้นาทีหนึ่งก็ยังดีอย่างนี้ก็เลยระดมฉีดยาเป็นการใหญ่ทำอะไรเป็นการใหญ่แล้วมันก็ต้องตายอย่างหลับตาตายคือว่าตายดูยไรสติสัมปชัญญะเรียกว่าทากาลกิริยาด้วยความหลงถ้าทำถูกทางมันก็ต้องกล้าดยธรรมะ และตายอย่างชัยชนะเหนือความตายอย่างที่ว่ามานี้จึงจะเรียกว่าเข้าถึงความว่างได้ในวินาทีสุดท้ายมีโอกาสกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายขอให้จำคำนี้ไว้ให้ดีๆว่าโอกาสสำหรับพวกเรามีกระทั่งวินาทีสุดท้ายแต่ถ้าเราเออชชนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่อยๆไปในวินาทีสุดท้ายนั้นต้องได้แน่ เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังได้ด้วยการตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนี่คือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความว่างซึ่งแบ่งเป็นสามขณะปฏิบัติในสามโอกาสขณะปกติทำการทำงานอยู่ตามปกตินี้อย่างหนึ่ง ขณะที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะสู้มันอย่างไรให้เป็นความว่างนั้นก็อย่างหนึ่งแล้วขณะที่เบนจะขันจะแตกสลายไปตามธรรมชาตินี้จะทำอย่างไรนี้อย่างหนึ่งรวมเป็นสามวิธีด้วยกันควรจะนำเป็นสิ่งที่นำมาพูดมาคิดมาปรึกษาหารือกันอยู่เป็นประจำเหมือนอย่างที่คุยเรื่องวิทยุเรื่องโทรทัศน์ เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องโลกนั้นพลอยไปหมดทั้งวันทั้งคืนแล้วเรื่องสำคัญเห็นปานนี้ทำไมถึงไม่ลองเอามาคุยมาปรึกษากันดูบ้างคนที่ชอบมวยก็คุยแต่เรื่องการต่อสู้จนเวลามีไม่พอพูดหายใจแทบไม่ทันที่เรื่องต่อสู้กับความตายเอาชนะความตายให้ได้ให้ว่างจะเกิดจะตายนี้ทำไมไม่ลองคุยกันบ้าง มันจะเป็นของง่ายขึ้นมาทันทีถ้าเราคุยกันปรึกษาหารือกันแต่ในเรื่องนั้นเหมือนกับที่เราคุยกันในเรื่องอื่นๆแม้เท่าไราสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของง่ายๆเหมือนกับทำเล่นไปได้ไม่ยากเลยเมื่อทำถูกวิธีแล้วไม่มียากเลยง่ายไปหมดแม้แต่การบรรลุนิพพานและการตกกระดาดพลอยโจรอย่างที่กล่าวนี้ นี่แหละสรุปรวมความแล้วเราจะต้องเข้าใจให้ถูกเรื่องคำว่าว่างเข้าถึงความว่างเป็นอยู่ด้วยความว่างว่างอยู่เป็นปกติและเป็นความว่างซิเองความว่างมีอยู่ที่สิ่งทั้งปวงเป็นลักษณะของสิ่งทั้งปวงทําจิตใจให้ว่างจากความยึดถือสิ่งทั้งปวงและจิตก็จะเป็นความว่างซิเอง เป็นความดับไม่เหลือแห่งตัวกูของกูไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกไม่มีความรู้สึกเป็นความเกิดเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาอีกนี่คือวิธีปฏิบัติเพื่อความว่าง